ไปนี่ชิดไหนไม่ออกไม่มันไม่ออกเลยต้องหยุดจักรนี่บางที่เดินเป็นยิงยู่เบงกุฏิยิงระว่างอย่างเดินไปเป็นพักคนะพักนี่ถ้ามันไม่มันไม่ปรุงออ ก, กเป็นคนะพักนี่เดินไปเลยเห็นลู่ไปเลยดุยเฉยพอสูงต่ำมันเป็นสมมติหนึ่งแล้วมันแยบออกมากบอกสูงตำ่ำทำโบมา ย, ยากันบวกกัน คือเดินไปซื้อลูกไปซื้อตอกลกดแล้วแล้วทันญ่าพ่อแม่ผูจันเป็นเรื่องดีผมกเล่าหลายเลยเป็นแบบมี่หลงบังมากผมนี่เด่นมากผิดกันยังไงบุญกว่านว่าแล้วขันมันเป็นไปตามของสภาพคนตัคมาคนแต่สําหรัผมนี่คือสุดหลายขันความจํานี่ ไม่ค่อยได้เรื่องได้ลาอะไรเลยห mm hmm. ิงทำงานน้องมากทั้งกับเมื่อวานว่าวั น, นเกี่ยวกับเรื่องเทศนาว่าการเขียคุนทำงานตลอดการมันทำงานตลอดนั้นไม่อยากยุ่งอะไรแต่ mm hmm. งั่นก่นอนพักภาวนาหรือนั่งขาวนานวิือยืนสงกของมัน มันมันเร็วถ้ามันดึงไม่ออกดึงไม่ออกแล้วปล่อยมันก็เข่ามัเลยยิ่งกว่ามันมีกําลังมันแล้วออกมาก็ใช้งานได้เรื่องท่าเรื่องแขนเป็นวันนี้ก็เทปไม่รู้กี่เทปเลยจะไม่ได้เรื่องในราวมันไม่อยากยกอะไรขึ้นเลยเลยสํารคุยเพียงใครฟังไครฟังก็มันไม่อยากออก พูดอเพียงสองสามประโยคก็หยุดมี ใ, ใครไม่มีอะไรก็ตัดให้กันไนดะ้มันเพียงพอถนะ้ายังมีพออยู่เยอะผ้าพอไหมแล้วอะไรที่เขามาถวายที่จะแจกกัญชามีอะไรบ้างก็มาแจกเลยมีมิตโกลบ้างนะนะอืมข้าก่อนทุกมีมิตโกลมันดีไหมใครเอา ที่ถวายเข้าก่อนมี น, นิคุณเ่ผมไมได่ดูมันดีไม่ดีจำได้ไหมใครเอาบามาถวายหรือเอามีคนณมาถวายนะฮะถือบกฮะโบกมันมีดีก็มาแจกันเชี้ยนนะคาหมายว่างั้นวันนี้อ่อนมากอ่อน นันถึงเทศอะไรไม่ได้แล้ววันนี้มัอ่อนภายในอ่อนทั้งขันตัวทั่วไปก็อ่อนเพราะใช้มันสมบุกสมันนันมากอ่อนอยู่นี่อย่างละอีย่ละเอียด ก, ก, ก็อ่อนก็พระที่มาในงานนี้กลับไปหมดแล้วยังกลับไปหมดแล้วเหรอฮะ อุ่นดวงเดียวเลอแล้วไอ้พวกเครื่องอะไรๆที่เขาถวาทมึงเช่าได้แจกแยกไปตามวัดตามที่สั่งหรือเปล่าออไปทุกวัดทุกวัดสม่ำเสมอไปทุกวัดเลย อ, อย่างนั้นดิโอเคอืองวัาถึนะกระเพงเลยไปถึงน้ำ <c oughs> ไม่ดี กับการใหญ่นหนครับยังไมไ่แก่หรยกับก่อนมั่นหได้หลังที่เขาถลายแล้วของส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้ประเ ค, แคนแผลยังไม่ลงยไม่ได้แกมเกินหัวใจก็บอใครมีความจาเป็นมากม า, ากจะไงเป็นก็เป็นกายก็กาย ก, ากา็ทุ่มหมดนี่เราไม่รับไว้วใใร่างกายกายตั้งแต่วันรับหมูขเพื่อนเข้ามาสูน่คานัก าาหากเราคว่องอะไรสำหรับพระเอาก็มีผมเตรียมไว้ทุกอย่างถ้าเราพจะาทำก็เกิดคือความกำเป็นมันมีอยู่รอไได้ผมก็ทำมองในโลกกำเป็นมากน้อยอยู่ที่ไหนความคุกมันก็นมีที่ัหน มันยังไ่างนีดเดมันจะช่วยอีกกลับไปพิชนายใชไป่ะไปดูย่ามันผเเลกอดสงสารไม่ไ่ารอว่าคือมันบางาปบานไปห้องผาตาดซึ้งเป็นของติดทั้งทันโคมไฟมันต้องไปยุ่งกันเวลาผ่าตัดนี่สิ ถ้าทำใจงั้นให้ทำใจนี่มันต้งเป็นหมอคุณผู้ผ่าตัดนี่เราก็สติใจในการผ่าตัดนี่จิไม่ต้องเป็นธรรม毗พุ่งในจุดเดียวเขาได้เข้าเข็มหเลี้ยวหัวต่อคือจิตใจของผู้รับผ่าตัดสาวแล้วก็หมอถ้หมอทํางานไม่สะดวกผลจะสมบูรได้อย่างไรนะั่นคิดขึ้นแล้วในขณะนั้ เพราะการเนลาเราึกแต่ากจักเราแล้วเราไม่พูดขึนาถามเรื่องเราไไม่ดีแน่ยลัยางานมันจะดีไม่ต้องให้เป็นความงเพาะป็นเรื่องของเราเองเขาบอกให้เราอย่างดีนะถามเขาที่แรกเ่าสองแสนแปดแต่เวลาสั่งจริมัสามแสนห้า เฉพาะไฟโขมไฟโขมจะหมดกังวลนนะจริงๆเรื่องทั้หน่อยนั่นแหมันทั้งหมดในะห้องผ่าตัดนั่นเงก็ห้า0สนเจุดเนาะเนื้ไปจับติกเสื้อปอกย่านี่เป็นปัญหา อ, อะไรยังงอะไร เลเซอร์ท vale hmm. ี่ใเลเซอร์ถามุ่ยยางไม่มีเลยคนทั้งภักไม่มีอันนี้นีนให้หมอรึกษากันดูหมอจะยินยันรับรองสามารถที่จะทำงานอันนี้ให้สมบูรณ์เป็นคุณภาพของเครื่องแล้วเราอาจจะพิจารณาช่วยอก็ได้สว่าง ถ้าเขาช่วยเาต้องเป็นตยี่สบแปดนั่นไม่ฟังว่าราคา3ามเขาประมาณสามล้านมือสวยๆสักเครื่องหนึ่งในโรงพยาบาลขึ้นเป็นโรงพยาบาลสีเลยล้วก็จะรับความสะดวกแต่คนหมดทั้นี้มาเข้ามาตัวข้องเข้ามาติวข้อง เห็นชื่อมอชัยผมทันสมัยมากเั้งคนแน่นน่นแน่นแน่ น, น, นไปเมื่อไหรแน่นตลอดแน่นตลอดนี่ จ, จะความจําเป็นกับตากับตาทั้งนั้นขอขอดเหล่านี้ก็อเอเาอดคิดมาได้พอตาสัมผัสภาพมันจะต้องมีของมันเรความช่วยได้ล้วก็อาจจะช่วยอาจจะพักไปนั่นหละ ศูนย์ยี่สิบแปดมันตะปีหนึ่งหรือสองปีต้องจะได้มากระช่างมันเราค่อยพิจญานเงินเรื่อยไปยเรื่ยไปให้รบกวนประชาทนไปรบกวนมากนลยเหมือรบกวนเขาล้วก็ประกาศแล้วก็าทราบอยู่งี้เขาก็ช่วยทั้งขนาดนั้นนะั่นสิบคนล่านแล้วเย เร่คิดหลายเ้ยหลายํางเพราะเงอินนี่มันใช่เป็นเงินของเราที่จะมีเป็นก้อนนั้ไป ท, ำทํำเดียวเงมนเราก็พอใช้พอจ่ายไปตามความจําเป็นดังที่เห็นอยู่นี่มันมีเท่านั้นมันมีที่ใช้จะจ่ายทําความจําเป็นจําเป็นตามเวลาเว ล, า, ลาดังที่เป็นเหมือนมันไม่ได้เก็บได้อะไรมากมายนะ ความต้งสารเสื่อมัวามสัมพันธ์ไปเห็นเพราะเห็นที่ไหนจิตถ้าตาสัมผัสที่ไหนหูยินอะไรมันจะคิดท้งวันทันทีสันทีสันทีแล้วปล่อยไปปล่อยไปถ้าอันไหนเป็นเรื่องสัมพันธ์มันจะไม่ปลอดนีกอย่างหนึ่ช่วยโรงพยาบาลเขาอยากเห็นนั่นเองไปเห็นคนนอนเกลื่อนเต็มงนอกตึกข้างในซ่อนกันเปรียวหนึ่งสองคนตงนี้ ข้างนอเนี่ย ม, อมอ้อกปกลัวข้างนอกนี่เราไปเห็นแล้วทางโรงพยาบาลก็ขอร้องอย่างนั้นเแต่เราก็ภูมิใจใี่ได้ช่วยเขาให้พ้นความลำบากไปได้การคุ้มกุญแจอย่างนี้นนอย่างน้ก็ไปต่างของหกสิบคน แล้วก็เครื่องมือแพทย์ล้วก็ช่วยที่จําเป็นจําเป็ น, ปนช่วยมากนะเนครื่องมือแพทย์ต่ออุปกรณ์ในตึดคื อ, เ, อ เ, เครื่องมือในตึกสมบูรณ์เต็มที่วางกันเถอะแล้วเครืองมีแพทย์อือมีอะไรอะไรเขาก็มาอ่านให้เราฟังที่จำเป็นางเป็นเมื่อเราฟังแล้วก็เป็นเข้าใจเขาอธิบายให้ฟังเข้าใจแลกตกลงให้รวม ทั้งค่คแล้ ว, วลนนนะอุปกรณ์มันไปสองล้ า, น น, านนึ่งนะมันใชง่ายอณ์บางอันก็ต้องหลายล้านหม่เส่นเตียงเตียงพิเศษเตียงหมุนสำัคนไข่อประชิดยองเจ า, าที่ยองคนเดียวนี้สามารถทางานแต่คนไข้ได้ด้วยเครื่องอนี้ถ้าธรรมดาต้องสามคน มีเครื่องนี้คนเดียวอันนี้แล้วก็ให้ทั้งสองเลยทั้งสองเครื่องสองเตียงส่วนเตียงประจําห้องหกสิบเตียงเราให้สมบูรณ์ม่างั้นถูกสมบูรณ์เต็มที่ขออะไรให้เลยไม่มีคำว่าอีกฉาเอื้อนอะไรเลยเพราะที่เขาขอก็กรชี้แจงเห็นผลแล้วทราบเข้าใจเหผลแล้วก็ให้เลยให้เลย มันจะจะช่วกเรื่อยๆไปั้งนะขั้นหนึ่งผมมเมตตาความสงสารมันเป็นพื้นในใจที่ทำอะไรมันดูดายไม่ได้มันควรช่วยอะไรมันก็ต้องเถื่อนมากๆก่อนเนามันต้องเป็นอย่างนั้นถึงแล้ามันทุเล็ดไม่ว่าเราเราต้องเห็นมีความบนอะไรข้างนอกมันมีควาบนคิดไปถึงเรื่องความจาเป็นของ อย่างโรงพยาบาลของคนที่จำเป็นเราก็เป็นกวมได้ถึงก็บจะช่วยเหลือเขาหรือไม่ว่าเราไม่เห็นมีอะไรอะไรก็ทบวงทบวงอินระบาทก็ไม่ทราบว่ากี่บาทท้าทั้งสามสิบสี่สิบห้าสิบนี่ก่อนทุนบาทเลยอาหารก็อย่างดูดยอย่างช้านั่งยิ้ม นี่ก็ยังจะได้ช่วยท่านทุน น, น่นี่เราก็ตกลงได้แล้วสามสามแสนที่ท่านจะทาสาไว้สำหรับสัตว์สำหรับคนบ้า น, น, นนะบ้านที่อาศัยโคจารมินกาบาดหรือบ้านใหญ่ก็จะมาด้วยผมรู้นะ้ามีสารนั่นขึ้นท่านซื้อถี่ไว้แล้วท่านไม่มีเงิน จะจ้างเาัาทำประมาณสามแสนแต่นี่จะเอาอะไรคอร์ปอร์เลยคอร์รปอกลางคอร์รปอหรือออร์รปอรกลางอ ร, รป อ, รอืมคอร์รปอรเขาอ่านภาษามันเต็มว่างไงนี่ว่าจะอันนี้ผมนี่มาถ่าให้เงิเพียงเสียเาขาค่าน้ํามำน้ำํามัน ถ้าอยู่ค่ า, ากินเขาจะก็จะไม่โควไม่เหมือนมากอะไรนะหลวงแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องมาช่วยนี่ยังไม่อนเงินไปให้เพราะมันยังไม่ทำนาเสร็จทำนาเสร็จมันจะทำหน้าแล้งเรทำทำั้งวัดนพอมีก็ไม่ให้ท่านอาจารย์เสียมากไป กาแต่ยังไงขนาดแสนท่าหรือสองแสนยังมันกระคองจะได้ให้อยู่ดีดแต่รมมติว่าท่านมีทานนู้นพอสมควรแล้วมันให้เต็มทั้งสามแสนที่เราพูดไว้เรพูดไว้พูดไว้โดยเห็นว่าทานนู้นไม่มีเราก็พูดไว้อย่างนั้นเราจะให้ถึงสามแสนมาสามแสนพอ เราจะให้สามแสนท่านก็มีหนุนขึ้นมาท่านก็บอกว่าท่านไม่เอามากเอาเท่าที่จำเป็นเท่า้วเราก็อาจจะให้ตามนั้นก็ได้คนผมปีนี่สุดมากนะรู้นายเจ้าของลูกเดินไปไหนก็ไม่อยากเดินไม่อยากไป ทุกปีก็ไม่เหมือนมันสำคัญที่มันยิงเบียนด้วยนะมันมียิงเบียนด้ว ย, ยมันทําให้อ่อนกําลังลงแล้วประการหนึ่งยาก็ไม่ทราบยาอะไรตัวไหนฉันดุ่มไปหมดเลยยิงเป็นวัดนี้ด้วยด้วฉันถ้จนตัววิ้วแวววิ้วแวววิ้ ว, วไปเพราะยาแต่ละอย่างไม่มีกําลังจะไปขับโรคได้ยังไงกาลังของยานั่นแหละ มันทําให้เราอ่อนเพลียเหื่อมันมันหล น, น, นอนรับรับตื่นตื่นเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคืนหนึงไม่ทราบว่าตื่นกี่หนกี่ครัง้งเยี่ยวนี่ก็โอ้โหชั่วโมงละหนสองชั่วโมงต่อหนอนขนาดนั้นหลับอะไรซึ่เดี๋ยวก็ปวกเยี่ยวรู้กันมาเยี่ยวนอนอบเคร่องเครื่องบปปวดเยี่ยวแล้วซึ่งแต่ก่อนนะไม่เคยมีย้มตุงแล้วผมเท่านั้นแหละ ไมไปมากังวลกับเยียวตื่นขึ้มาเยียวก่อนจะค่อยนอนนี้ไม่มีว่างั้นเลยนอกจากเจ็บไข้ได้ป่วยพอล้มนอนแล้ก็ตื่นพับลูกทีเดียวเลยไม่มีคําว่านอนซ้ําฝึกเจ้าของมาอย่างนั้นนะ่ฝึกเอาจริงๆนะฝึกอย่างเด็ดด้วยนะเด็ดเจ้าของนี่เด็ดจริงๆสอนหูเพื่อนอะไรมีแต่าปากสอนเจ้าของนี่เอาจริงเอาจังทุกอย่าง ถึงเวลาจะนอนถ้ามันปกติของมันก็นอนขึ้นกันนะส่วนมากห้าทุ่มผมนอนทั้งประกอบความเพียรพอตีสามตื่นแนละ้วดีถึงเลยนะตื่นเหมือนกับแม่เมื่าตื่นในพานถ้านอนอยู่ด้วยกันนี่จะได้ยินเสียงหรือตื่นนีืไม่ไดีผู้หลับดีกว่าตื่นเวลาผมตื่นเนะี่นเป็นเองดีดถึงเลยทันทีรูปุ๊บปับ๊บล้างหาน้าล้างตา เ, เรียนหนังสือก็ออเหมือนกันแม่นี่มีคําว่าอุดอัดเลย ยิ่งมาปฏิบัตินี่ขึ้นเวทีกับกิเลสนี่ด้วยแล้วโอ้วโหมีกำลังก็ไห่ทุ่มมาหมดเลยไม่นอนไม่มีคำว่านอนจำเพรา ะ, ะนั้นจริงไม่มีคำว่าตื่นเยี่ยวแล้วไม่เยี่ยวแล้วนอนอยู่ไม่มีผมระลึกไม่ได้ว่า ง, งั้นแต่การฝึกเฉพาะจนกระทั่งพัรษ้าที่สิบแปดถึงฝึกใหม่วิธีนอนพรนาทีแปดน คือจะเอาแบบตามแบบราชสีอะไรนั่นที่ท่านพูดไว้ในปัญละกะปฏิปทาจารยานโยกตื่นล้วรู้ทิศรู้ทางก่อนแล้ ว, ลลลวค่อยลุกลุกขึ้นมาด้วยความมีสติส ต, สตังเราก็จะให้เอาแบบนั้นใช่นีมแบบนี้เลยใช่แล้วในเวลา ขึ้นเวทีต่อก่อนตระกิดให้ใช้ชามาเต็มเหนี่ยวคราวนี้ก็ใช้แบบนี้่ะโอ้สองปีมันมันถึงได้นะฟังสิพอตื่นนี่เรายังไม่ทันมันมันเดดก่อนแล้วว่าจะให้รู้ทิศทางก่อนมันยังไม่รู้อะไรเลยถึงลุกแล้วลุกแล้วให้ยามเอาคนนี้ถึงสองปีทีนี้พอมันเปลี่ยนเปลี่ยนใหญ่เลยนะมันไม่ได้เปลี่ยนธรรมดามันเลยเถิ พอมันเปลี่ยนพอฝึกวิธีนี้ได้ได้แล้วรู้ทิศรู้ทางแล้วมันไม่อยากลุกพิงอีกมันอยากนอนต่ออไปแบบนี้ที่นีอมันแปลกอยู่นะรู้ทิศรู้ทางแล้วลุกว่างั้นความหมายนั่นนะกําหนดรู้ทิศรู้ทางเจบแล้วลุกให้ยพอมันรู้ทิศรู้ทางแล้วมันอยากนอนต่อไปโอ้มันก็ไปแบบนี้มันไม่พอดีนี่แต่เราก็ปล่อยเพราะมันก็ไม่มีอะไรที่ยอมเป็นอุปรสรร ต่อการต่อสู้ก็เดี๋วอะไรก็ปล่อยตามเรื่องมันสุดท้ายอย่างทุกวันนี้ผมนอนไม่มีกดมีระเบียบนะผมปล่อยําท่าตามขันนอนงายก็นอนแต่ก่อนโม้ไม่นอนนะนอนตะแคงข้างขวาเลยพอตื่นก็ถึงเลยถึงเลยทีเดียวไม่ได้ตื่นเดียวตรงนั้นแหละกลางวันอยากจะพักก็พักออกกลางวันไม่เหมือนกลางคืนไม่ถึงกลางคืน แต่มันไม่เลยเวลาของมันบามคืนมันเดีกผึงผึ่งมีวิธีฝึกเจาของเราฝูกอย่างนั้นนะยี่18แปดพรรษาแล้วค่อยเปลี่ยนแปลงใหม่ถึงยี่สิบพัษามันถึงมาได้แบบรูทิศรู้ทางแล้วจากนอนซ้ำอีกมันเลยไปแบบใหม่มันไม่ไปแบบ เ, เราต้องการใช้่มันไปแบบนั้น ทุกวันนี้ไปอยู่แบบหนึ่งไปแบบโกโลโกโสไม่มีเหตุมีผลไม่มีอะไรคือเราปล่อยตามธาตุขันพยุงมันเป็นรักษาธาตุขันเดี๋ยวนี้มีแต่เสริมนะธาตุขันไม่ได้กดเลยเสริมเท่าไหร่มันก็ไม่ขึ้นที่ดูอย่างอะไรอะไรมาฉันจิบคืนสองคืนแล้วมันหยุดแล้วเอาอยู่ไม่ได้ฝืน่ะแต่ก่อนมีเท่าไหร่มันเอาหมดนะถ้าให้มันนะอนอนแล้วหลับ เทใจปากนี่มันยังจะกืนด้วยพวกกลอนครอบครอบไว้เลยกลืนทั้งกืนทั้งครอกครอบไว้เลยอ่ะแต่ก่อนทานมันรับยึดดัดกันเองถ้าถามมีกําลังราชาตันหาเนี่ก็แสดงเปลีย่ยนนั่นนะฝึกจิตก็กึกยากมันดิ้นมันด็กต้องหนึ่งพละมาณทางกายเขาช่วยเพราะร่างกายอ่อนเราก็ค่อย มันมีเครื่องสูงมากมันก็ค่อยดีนี่ครับียกทําให้ลําบากจนท่องเสียมาตั้งแต่พันษาสิทธมเรื่องเสียพันศาสิทธิพราะจมูกสมันมากพันษาอีพันศาสิทโอตหารนี่มันพลิกจากนั้นก็อดเลื่อยเลื่อยเรือยอไม่อดมันไม่ทันใจนะมันไม่ได้อย่างใจ ถ้าอดแล้วมันได้อย่างใจอีวันก็ตามไม่กํานดก็เกณฑ์ไปอยู่คนเดียวแล้วจิตมันก็เดีดผึงผึงึงถึงวันที่จะมาฉันมันทะเลาะกันระหว่างันกับจิตจิตมันไม่อยากฉันธาตุมันก็จะตายมันอ่อนเปียกไปหมดทะเลาะกันนี่ว่าจะอดข่ากิเดสให้ตายจาของจะตายยังไม่รู้รือนั่นกิเลสมันแทรกัน ว่าจะอดทั้งฆ่าทั้งเดืดร้างตายเจ้าของจะตายยังไม่รู้อยู่เลยนั่อันนี้ก็สวนหนักอย่างไงก็กินมาตั้งแต่วันเกิดกินไาตั้งปันนิ้วว่าจะดีดจะดีไม่เห็นได้เรื่องอะไระกินอิ่นแล้วนอนอยู่เหมือนหมูนั่นแต่กินไรนั่งหนาว่างต่อยกันนี่กรรมการก็เราเองหรือแยกให้แยกกรรมการตัดสิน อออดบ้างอีบั่งแหละดีไปนะะอดบ้างอีบ้างแหละดีว่างั้นนะอย่าของตัดสินเลยเป็นไรไปพอปัญหา ส, สิบกว่าไปแล้วอดเป็นอะไรพมาฉันนี่ถ่ายหมดเลยนะสิบกว่าปัญหายิ่งสิบห้ า, าชาั่วโมงปัญายิ่งเด่นแต่เราก็ไม่เสียดาย ตั้งแต่พรรษาที่หกล่วงไปแล้วเดือนพรรษาที่เจ็ดเอาว่าพรรษาพรรษาที่เจ็ดมาเลยเนี่ยจนทั้งบัานนี้ผมไม่ไม่อดนะนอกจากไม่สบายแล้วก็ไม่ฉันก็ไม่ได้ที่อดสูงทงปมาหมืนแต่ก่อนไม่ได้อดตพรรษาที่เจ็ดตั้งแต่เดือนมิถุนากรกฎาสิงหาไปละไม่ได้อดอย่างแต่ก่อน ทุกวันนี้มันเสริมอไรมันไม่ได้เสริมอะไรมันไมันอ่อนลงอ่อนลงโลกยิ่งเย็นนี่ก็ระวังยากแต่สําคัญถ้าพูดตามโลกสมมติก็ว่าสติเรามันดีมันไม่เคลื่อนไม่ไหวสติที่ธรรมชาติที่มันรับทราบประกบกันอยู่นั่น มันเป็นหลักธรรมชาติของมันถ้าธรรมดาแล้วล้มนะพอลุกขึ้นนี่คล้องจบเผลอไปอะไรต่ออะไรนี่อันนี้มันไม่เผลอที่มันจะทําหน้าที่ของมันใส่เปี้ยกลงตรงนั้นเออันนี้มันแสดงอาการอะไรอะไรมันก็รู้รู้ระ ว, ว, วังอยู่ภายในอิดมันก็พอพัดพออย่างนี้ น, นอกจากอยู่ในห้องอย่างที่ว่าวันนั้นูนั่นมัน มันคงละเอียดเอามากเป็นไม่รู้เลยจะกองให้หมูเพื่อนนึงเป็นสติกำลังเรื่องวัตถุผมอยากไม่อยากให้เข้ามายุ่งมากนะมันทำลายีิตภาพนาผมเคลื่องมือกวดขันเสมอเมื่องด้านวัตถุจีนนั่งจิงนี่ยุ่งมันไม่ใช่เรื่องค่ากิเลส มันเป็นเรื่องกังวลตัดทอนที่ตัดทอนน้างไม่ได้ยลงไปด้อยลงไปเพราะผมเคยดำเนินมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยนี่ไม่เอาอะไรจริงเวลาพรนาไม่มีอะไรมายุ่งเลยนอกจากหาฟืนหาอะไรมาใส่อนี่เนั้นหรือจาเป็นภาพนี้มากก็ช่วยกันปลุกปุติปุกบปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่กับพระแม่ปู่จทําเล็กเล็กเล็กเ็กเล็กอยู่ ให้ก่อให้สร้างใยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นนี่ไม่เอาผมขี้เกียจไม่ขี้เกียจเริ่มทํางานแต่เหตุผลมันบอกแล้วว่าเราภาวนาฟัดกันทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นตลอดเอาแค่นั้นก็ไปอยู่ภาวนาคนเดียวเรจะไปหาทํางานอะไรคนเดียวมีความามารถก่านเท่านั้นอย่างนั้นแต่นั่นก็เดินอยู่นั่งภาวนา ขณะนั้นมันยังเอากันได้ยากนะพิเลนเหมาอมันเหนียวแน่นมั่นคงเฉลียวฉลาดมากทีเดียวจริงๆด้พูดแล้วพูดเล่าอาชจรรย์ลำพเจ่าวัตขึต้นมาได้ยังไงยังไงไม่มีใครแน่ใครสอนเลยโผล่ขึ้นมาท่ากลางมหาภั ย, ยเรายังได้ยินได้ฟังได้อ่านเรียนตามต่าหล่งต่งาลา ได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นว่าไม่สงสัยแล้วโอวาทของท่านที่สอนที่ว่าผิดไปไม่มีถึงขนาดนั้นเรามันยังจับไม่ได้อย่างใจหวังหนึง่งกิเลสมนขนาดนั้นดลมันปัดมือออกปัดมือออกเอาทําแนงไหนเข้ามาเนี่มันปัดมือออกไปหมงบแม่เข้าถึงตัว ม, มันยากขนาดนั้นนะนี่เด็ กว่าจะคิดละเอียดแล้วออกมาหรือครับพี่เหลือก็ได้สู้กันทุกแง่ทุกมุมคงจึงได้เอาเรื่องของที่เหลืมาพูดให้หมูกเพื่อนฟังเรื่องที่เหลืมันแหลมมันคมขนาดไหนมันร้อยสั้นพันคมยังไงสติปัญญามันก็หมุนกันไปกันเอาจนได้จนทันกันทันกันตอนที่ตั้งตัวยังไม่ได้นี่นิลําบางมาก มันเรื่องถึงขัญปัญญาเคลื่อนไหวแล้วเอเออันนั้นยังไงก็เขียนใบตายไว้ให้มันเลยยิเลสผมเชื่อก็อย่างงั้นแต่ขวางก็ไม่เคยมีใครบอกว่าไม่เคยว่าจะเขียนใบตายให้กิเลสแต่เวลาดาเนินไปนแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันรู้เรื่องติดรู้ย้อนหลังถ้า ล, ลงปัญญาได้เริ่มเคลื่อนไหวแล้วเขียนใบตายให้กิเลสไปเลยตัวไหนจะตายเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เขียนใบใบตาย ติดหน้ามันเลยติดหน้าผักันเพราะนั่นใจนั่นโดยกลายเป็นโรงงานอย่างทำกันมาแล้วเพื่อสังหารกิเลโดยไถ่เดียวเท่านั้นไม่สังหารอะไรเริ่มหมุนเริ่มเห็นเหตุเห็นผลเริ่มปวดเริ่มเพื่อม ก, กันด้วยวิธีการาต่างๆซึ่งเป็นความยยบคายของปัญญาปัญญา <c oughs> ปัญญาเรื่อยๆเร่อยๆนี่กิเลสค่อยอ่อนข้อลงไปอ่อนข้อลงไปสิ่งที่มันเคยเนเคยดีดมันก็ดับลงไปดับลงไป นั่นแหะอถึงพันปัญญามหมุน้็เอาแล้นเหมือนก้นนับกันนั่นเลยนี่ที่ความนิพพานมันก็อยู่ชั่วเอื้อมความหวังของเรามันมันเหมือนกับอยู่ชั่วเอื้อมทุกว่นมันจะพาดไปไม่ได้ว่างั้นลความบุญพ้นจะพาดไปไม่ได้ บูดวิดบูดวิดบิดกันอย่างนั้นท่านั่งก็ไล่ตามมามาหาโทษมาครับภัยเห็นโทษมันเป็นหัวใจจะค้างไม่ได้อยู่ไม่ได้พูดอย่างนี้ผมก็ยังเคยพูดให้ฟังที่มาพากิสกหมปุลทองที่ป่วยโรคหัวใจเสียแทงโ้หแทบเป็นแทบตายเหมือนกันแต่นั้นจิตมันก็ผ่านอาตุภาพไปหมดแล้วมันหมุนน้ำมันอยู่ภายในก็จะพอเลย ถึงขนาดนั้นเอาเรื่องของคนที่เขาเป็นสองวันตายสามวันตายวันเดียวตายก็นยขนกันมาเราทําอยู่นั่นประชามอยู่ใกล้ๆกับที่เราพักแต่เราไปมาศิกาคลายทั้งวันเลยไม่ได้กลับวัดพรามันตายเรื่อยมันขนมาเรื่อยอย่างนั้นบ้านโนนพุ่นพองบ้านใหญ่ๆนุ่นนะบ้านกระห่มก้าวหลังการเรือนน่นถูกบุบโดยพักขอเขาแต่บ้านใหญ่นุ่นที่ฟ้าบุ้งนาเงินมันขนมาเผาปะชามสางปะชามเลย วันหนึ่งห้าศพก็มีหกศพก็มีมันจะมีเวลาพักยางไงเขาไม่ได้มาไล่เที่ยวมามาแล้วแต่ใครจะมาจังหวะไหนเวลาอะไรในวันนั้นเรว่าตามไปแล้วมาตามยุ่งเป็นโลกขัดหน้าขัดหลังพ่อภาษาเงาโรคเสียแทงหัวใจใ น, ในห้องอกนี่มือออก เรากับพี่ตกเนี้ยมันไม่ใช่เป็นโรคที่ต่อหรือมันถึงจะตายกันขนาดนี้เหมือนกับโรคระบาดต่อไม่ต่อก็มาโดนเราเข้าจรนี้มันก็รู้เองโอ้โหโรคอย่างนี้เองครับับหมดโหกจามไม่ได้นะจามจะสลบไปนู่นไอเหมือนกันมันบุญแรงขนาดนี้มันทิ่มอวูเอง พอเป็นกับเราแล้วเราโอ้เราละคนมันตายแล้วจร่ ง, าายยงวะถ้ากําลังใจของเราไม่เป็นที่แล้วยังไงก็ตายนั่นแน่เป็นอย่างนี้เองมันมันบีบเข้าไปมันแทงเข้าไปนี้่รอบตัวเลยในหัวอกหายใจแดงก็ไม่ได้นี่อตอนมันมิตกนะพอเป็นขึ้นวันนั้นมันคนดีๆอยู่นี่นะไมไ่เป็นใข้เป็นหนาเลย แต่หัวโอมมันจะแตกแทงข้างนี้อเป็นข้างลอแล้วไปไม่รอดแล้วที่นี้นี่ที่ทำให้ดตถงมีถ้าสมมติเราตายแบงนี้ในเวลานนี้เราจะยังข้างอยู่กันได้ก็รู้อยู่ว่าจิตของเรายังไม่ผ่านไม่พ้นไปได้แต่ว่าที่ยังมาเกิดในที่ต่างๆเรวไม่สงสัย จะไปตกไปข้างตรงที่ไหนก็ตามช่วงเวลามเวลาเราไม่ให้ค้างความมุ่งหมายของเราจะให้พุ่งทีเดียวเท่านั้นมีเท่านั้นแต่นี้ตายในขณะนี้จะต้องไปค้างจนได้นี่นั่นเป็นกังวมกับอันนี้อันี้ต้องได้ทุ่มกันเลยเพราะเรื่องทุกเทนาน้เราเคยสู้มาแล้วตั้งแต่เป็นไข้ก็ดีนั่งตลอดลุ่มก็ดีเราเคยทุ่มมันมาแล้วคราวนี้เป็นคราง สำคัญต้องทำ น, นั้นก็รวมกันลงหมดเนาะรวมกําลังขั้การต่อสู้เรารวมเป็นกําลังขั้การต่อสู้ไปแล้วเอาเลยนะจิตสุพุ่มเข้าตรงนี้เลยตรงที่มันแตกหมดคนญาติโยมเขาแตกบ้านมาเลยเพราะเขาเขากลัวมากเนี่ย กคนตายคนตายโอ้อยานีคู่จะตายแล้วแล้วเขานุ่มเขาวาบหน่มี้หังข้นโลกมันคัตองพอประมาณตั้งสองทุ่มของพลังไหล่าทุ่มกว่างเขากินข้าวเยน็นกินข้าวแรงแล้วห่ะเขาจิงมามากันทั้งบ้านเลยมายังไงบ่โอ้ยเราบางยากคู่แล้วบางคนอยากเบิงกะทาวเบิ้งแล้ว อ, น อ, นนวอฝนน้ําฝนอะไรมาให้กิน เราไม่ขนาดนั้นนะน้ํานี่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเขาหน้ําอย่างไงมาผนให้เรากินน้ำไม่คุณน้ำไม่สะอาดเขาอาจจะตากในโอ่งเขาว่ากวนให้เรากินไม่ได้เราจึงไม่กินเนี่ยแต่เราไม่บอกเขาเอาไว้นั่นแหละเออเราบอกเขาเพราะแบมะเขือกไม่นจะมียานั่นเขาก็ว่างนั่นมะเคนกับเขียนแล้วก็วางไว้สลาเล็กๆเท่าห้องพระกรรมถานเภาพอยู่แต่ก่อน มากับพูดสองสาคำเท่านั้นไล่เขากลับบ้านหมดเลยเราไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลนะนี่จะพยายามรักษาตัวเองพยาบาลตัวเองบออย่ามากรังวลนะทลันกลับให้หมดบอกไล่เขากลับผู้กลับไปก็มีผู้แอบนอนอยู่กัไผ่ข้างๆตรงนี้เพราะเขาวิตกเพราะโลกวนี้มันโลกตายเขาเห็นนทั้งบ้านแล้วเขากลัวเราจะตาย แล้วก็ก็หนีหมดแล้วเร า, เ ข, าเข้าที่ฟาดกันเลยโอ้โหเห็นประจับนะอำนาจของจิตปัญญาเ น, น, นี่ยมันสู้กันเราได้เคยพูดแล้วว่าถึงวละตายแล้วมันจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะนี่อันนี้มันก็ขึ้นเลยมันขึ้นเป็นสักรีปรยานเป็นกําลังใจนี่แล้วคราวนี้หลังนี้มันก็ตายผูเคยทนาน เอาที่นี้ทุกเวลาน้าไหนจะมาหลอกเรานี่หน้านี่เป็นหน้าเก่าหรือหน้าใหม่เป็นความทุกข์เหมือนกันหรือไม่มันก็ใส่กรขนมเต็มที่มันไม่มีถอยนี่นั่นหลากำลังใจที่เราเคยทํามาแล้วเราเคยเห็นเหตุเห็นผลมาแล้วได้ผลมาแล้วด้วยมเมื่อพอมาเป็นตรงนี้ก็นี่ก็คือสัจธรรมก็หมุนตรงนี้ไม่ยอมถอยไหนเลยฟาดกันตรงนี้แยกทุกแก๊กภายในนี่ ดูก็อย่างนั้นประมาณหกทุ่มอะเข้าไปเราจะประมาณสองทุ่มแล้วหมก็กลับบ้านนะเอากันอยู่สี่ชั่วโมงประมาณหกทุ่มกว่ามันถึงได้ถอนออเลือดลือถอนถออกมาไม่ถอนด้วยภาวนานี่มันก็เหมือนกับทุกเวทนาที่เราเข้าใจกันต่างอันต่างกินอันนี้มันไม่ใช่แปลงต่างอันต่างกินเหมือนกับมันถอนหอกถอนเล้วออก เวามันกำหนดทันกันพอกันแล้วเบาหวงไม่ตายนะมันรู้เบาไปหมดเลยหมดเวทนาความคับความติดความตันที่มันที่มันแทงนี้มันไปไหนนั่นนาอัศจรรย์ไหมพี่นาสิเขาตายด้วยดูกวนี้เลยะเราเอากันได้มันแปลกนี้ เอาได้ด้วยทาง ม, มาโอสถเราก็รู้ปัจจุบันนั้นด้วยว่าอาที่นี้ไม่ตายนะมันดูชัดด้วยนะพอมันถอดลงหมดตัวเบาหิวิว ห, ห, หสบายเหมือนไม่มีอะไรเลยแล้วอํานาจของจิตมันก็อาถรรพ์น้งมันโอยอาฐานจริงๆนี่มันไม่ใช่อันนั่นดับไปแล้วอันนี้จะอยู่แบบอับเฉาเนอะมันไม่ได้อับเฉามันชะงาผ่ า, า, าพเผยเพราะว่ามันเป็ น, ปนชัยนชนะของตัวเอง ไดยใช้สติปัญญาตเต็มเหนี่ยวแล้วไปเห็นผลของสติปัญญาเห็นรับความสามารถันเป็นเร่งเต็มที่จางนั้นก็ลงเดินยางลมเดินกบเดินนานกลงคมก็เดินมาเานั่นก็เข้าที่ที่นั่นไม่อนอนพอสว่าง โยมโผล่เมาอยู่ลมาลอะไรบอกมาอยังจะสอบแทนงั้นเขาบอกว่าจะ น, นไปนอันนอันอยู่ ข, นนขึ้นอยู้นั่งนั่หลับด้เ่บิงยูดมขึ้นเิ้นหลับตาได้ยังไงเคลื่อนขหน่อย ไ, ไว้ น, นั่งต้งขึ้นไงเบิงยพูดอยู่หันอนั่อยู่ฝ้ากระพหันหัางมายพูดเห็นกวานีูไล่หมดอเดะเนั่งมองไหายละแล้วปะ บอกอย่างนี้แล้วเบี้ยนอนเนี่ยหายแล้ววะหายนี่แหละหมายถึงความเป็นห่วงความเป็นกังวลถึงตอนมันจะค้างที่ไหนที่ไหนมันเห็นจัดชัดในจิตเพราะมันยังไม่หมดมันมีของมันถึงจะเรียบแค่ไหนมันก็ยังของมันมันรู้อยู่อย่างนั้นอ่ะมันจะต้องค้างแล้วเราไม่อยากค้างที่ที่มันเป็นกังวลถ้ามันพุ่งเซะเลยแล้วไปเมื่อไรก็เราก็ไป ก็จิมันได้พุ่งผ่านไปหมดแล้วนี่มันไม่ผ่า น, นมันรู้อยู่ชั ด, ช ด, น, ดนี่นะธรรมโอสุ์พูดไห้ใครฟังก็ยากนะ ถ้าม่นเป็นเองมันเป็นเองแล้วมันประจักษ์มนไปสงสัยที่ไหนเหมือนพระพุทธเจ้าประจักษในธรรมทั้งหลายสงสัยที่ไหนเอาเอาความประจักษนี้นะออกประกาศสอนโลกอย่างไม่สะทกสะทานเป็นีิอ่อนมากร่างกายแข็งขรึมมากขึ้นมากขึ้ น, นไปมาก็ต้องมาหาเรามาเราบ า, า, างคนไป ดูหน que ้าเฉยๆเห็นหน้าไปดูหน้าเลยอแบนี้ตะกี้บางตอนเย็นๆมาจากไหนผู้หญิงสองสามคนเห็นไหมรูปไหมเข้ามายังไงเห็นเดินเข้าไปเับผู้ชายเขาจะขึ้นเขาก็ไขึ้นนะเราก็ไม่บอกคุณั่จั่งผู้หญิงคนหงคนหนึ่ม่ตางผู้ชายผู้ชายผู้หญิงสองผู้ชายคนหงนเขาคนมันจัคนนึงเนคนมาตาคนไหนคนมั่นตาคอืม ทันทีเห็นมันเดินอะไเรเป๊ะปากเข้าไปเปะปากเข้ไปนะเดินเข้ไปดูปฏิวัติฮะเดินเข้ไปชมปฏิวัติันีีเห็นไปยืนหน้าบันได น, นแล้วก็เราก็ไม่ได้บอกอะไรเพิ่จะคุยกันเพรากับมายืนซางคู่ถนึงเขาก็ไปเพราะ ไ, ไม่ใช่เรื่องดี่รักแขกเพราคนมันวุ่นาวาย มาทางไหนเราเป็นประกอบความภาคยันดีนะเทพก็มีก็ได้ฟังดีได้ฟังเลยเทพก็ ส, กสดๆร้อนๆก็เหมือนเราเทพเองเราเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากนะดูหมู่เพื่อนนี่มันไม่ได้สนิทใจนะขว来说จะแวกแนวอยู่เรื่อย มันตายใจไม่ได้ความตั้ง อ, อกตั้งใจการคุยปฏิบัติมันคอยจะจแยแสแงเออเย่วันนี้ไม่เคยทําเล่นลุ้มเล่นอันนั้นกันแล้วมันเอาจีนโอจังทุกอย่างฝึกเจ้าของแหมหนักมากเนละการฝึกเจ้าของฝึกหมูเพื่อ น, นมีแต่ปากเอาหรือไม่เอาก็มีแต่ปากสอนนะเราสอนเรานี้นะเอาหนาว่านั้นมัน เหมือนกัว่าจับขาดกามือเลยมันเคลื่อนไปไม่ได้กินเราเีน็นิสัยอย่างนั้นเลยนะจริงจังทุกอย่างถ้าลงให้เหตุผลพร้อมแล้วจริงขาดสะบั้นไปเลยแล้วก็ได้มันได้ผลอย่างนั่งนนะู่นความจัดความจริงเป็นเครื่องหนุนเอาจนทะลุไปได้ทะลุไปได้เป็นกําลังใจเลยความจัดความจริงหนุนถอยออกมาไม่ได้ เสียงร่มเหลยวร่มเหลียว ห, หนูโวยไม้อะไรอะไรที่ควรจะแจกกันถ้ามันมีแล้วก็ให้แจกนะแจกกันแช่กันซนะอยที่เขาถวายอะไรผมไม่ได้สนใจนะรับเพียงต่อหน้าสิเขาถวายแล้วก็ลุกหนีเลยได้ แ, แต่หมู่เพื่อนจะจัดจะทำอะไรอะไรควรจะทำอะไรก็ไล้แต่หมู่เพื่อนพี่นากันด้วย ผมไม่ได้มาสนใจกับสิ่งอย่านี้มากยิ่งกว่าสนใจกับพระกับเน้นที่อยู่ในการปกครองและให้การอบรมของผมนะอันนี้ผมถือเป็นสําคัญมากสิงอันนั้นก็ฟังแต่ว่าปัจจัยปจัจจาก็พูดอยู่แล้วตลอดเวลามีอะไรัเกิดขึ้นมาก็าเกิดมันขาดตัวฟ้องไปก็ขาดนี่เรื่องโลกอะไรตงไปปรับใจอะไรกับมันยิ่งกว่าปรับลงในธรรมทั้งหลาย มันนนิอ่อนมากอ่อนภายในแต่เราต้องาการหนูเพื่อนไปไดูพูดนั้ฟังพอเป็นกติอะไรถ้าพูดเป็นทํานองเท่ไปเลยมันเข้มข้นมัน เ, เป็นขึ้นในจิตนี่พูดธรรมดาธรรมดาก็เหมือนเราคุยธรรมดามันไม่แสดงพลังขึ้นมาถ้าเป็นการแสดงธรรมแล้วมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะพอตั้งจิตปั๊บนี่มันจะรวมตัวเข้า พลังออกแคนั้นมันก็เรื่อยเลื่อยแล้วุ่มใหญ่เลยอะจึงเหมือนกับดุกับดาก็โกรธกบโมโหโศลหมื่นช้านี่ก็เลยว่าให้หมออะไรเขาจะว่าบ้าเขาสางเขาเอพูดถึงเรื่องดุเพราะว่าร่ำือท่านอาจารย์ดุมากดุมากว่ะใครผิดมากดุมากนั่นแหละอเปะหีก็มีนี่ว่ะหวานอยจะไม่ดุมากง่ควรดุมากหนึ่งเอานี้เลย มันเป็นอย่างนั้นจริงๆดูเป็นไรดูไม่โกรธมันไม่ได้โกรธนี่นะเขาจะมาว่ า, ากว่าแต่นี่ไม่โกรธนะี่ว่ะดูจนฟ้าดินถล่มก็ดูกแต่ไม่ได้โกรธภายในจิตใจไม่ว่ามันจะผิดไปไหนดูคนให้ดีจะแท้มันจะผิดไปไหนดัดเจ้าของให้ดีก็เหมือนกันมันจะผิดไปไหนหรือว่าดูเจ้าของดัดเจ้าของ เพื่อความดีเด็ดขนาดไหนมันก็ไม่เสียหา ย, ย ม, มีแต่ดีทั้งนั้นสอนคนอื่นทำ่มทํานี้มันจะเป็นโมฆะไปได้นอกจากหัวใจมันหาสาระไม่ได้เท่านั้นแต่ทำไม่มีข้างในใจาศาสนาไม่มีข้างในใจแล้วธรรมะแตะไม่ได้นะถูกคิดเหตมันปัดหมดปัดหมดครูบาอาจารย์แนะนําแต่สอนดูด่าว่ากาบบ้างเพราะว่าท่านดุท่านดุเสียเป็นิดเหตุมัดคอนตลอเวล า, วลาไม่เห็นว่านัน่น มันเป็นเครื่องมือของกิเลสม่กิเลสเหยียยนาเสียกนกิเลสมาเท่าไรแล้วเอาไปคิดบ้างที่จะเป็นลูกแคล้วด้วยกันมาเพ่งมาเงอะไรแต่ครูบาอาจารย์เพ่งเลงไปของที่มันผิดในจุดที่ท่านดุมันบ้างด้วมันก็จะได้เห็นเงื่อนแก้เงื่อนไขเงนไถั่นและเลิกกันแล้นั่น นืม